จเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพฤติญาณในวันนี้ก็จะพูดถึงการพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนที่สามมดีพรมจะมากราบทูลนราธนาให้ทรงแสดงธรรมคือหลังจากเสด็จประทับสวยวิมุติสุขอยู่ในที่ต่างๆครบเจ็ดสั ป, ปดาห์แล้ว ในสัปดาห์ที่ที่แปดซึ่งเสด็จประทับที่ต้นไทรเชื้อจปาในโครดนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากแต่ว่าไม่ทราบอะไรเกิดก่อนเกิดหลังปรากฏข้อความในมาราสูตรในมาราชีตุสูตรแล้วก็ในมาาเปริพาณสูตร อย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วโดยลำดับก็ต่อมาก็พูดถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ได้ศ ส, สรษาและธรรมะที่ยกขึ้นพิจารณานั้นก็คือหลักของปัจจัยการหรือปัจจัยสุบา ท, ที่ได้ให้รายละเอียดมานานพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างยาวนะฮะ เราจเจนว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเอาวิาวาวชายอย่างเดียวในภาษาหัต์แล้วธรรมานั้นละเอียดลึกซึ้งจริงๆการจะปฏิบัติให้ถึงสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราจะให้เข้าถึงเมตตาจิตโดยมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ คือเมตตาแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายต้องการให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทุสร้ายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามทุกคนรแก่ฐานะของตนคือจริงก็ค่อ น, นข้างขยับยากนะเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่ในครอบครัวเองสามีพันยา ก, กันพี่กับ น, น้องญาติกับญาติาก็ยังทะเลาะกันไลย แสดงว่าเราเข้าถึงเมตตาได้ไม่ลึกพอยังถูกโยครอให้หวั่นไหวด้วยอารมณ์ที่มากระทบจิตแล้วก็ให้เกิดโทสะบางครั้งก็มีอาการมาด ร, ร้ายกัรอาฆาตมาด ร, ร้ายกันไม่ยอมให้อภัยกันแต่บางทีก็จองเวรจองปรานกันทำลายล้างกันวันเมตตาข้อเดียวเนี่ยที่จริงเราเข้าถึงได้เนี่ยยากมาก อลองลองดูตัวอย่างที่ที่มันมันหยาบกว่านั้นก็ได้เออสมมติว่าเรื่องของชีวิตเราเรียงตามโครงสร้างของกุศลกรรมบทสิบเอาขนาดสี่ระดับนะฮะทราทำยังไงเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งแต่มันลึกซึ้งเข้าไปได้ถึงถึงจิตคือธรรมะมีอยู่ในจิตจิตมีธรรมะ ธรรมะกลายเป็นเรือนจิตได้และมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะถูกโยกคลอดยังไงก็ตามเวอท่านบอกว่าคือหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เองตรงนี้ค่อนข้างทําไม่ไม่ยากนักแต่ก็ไม่ง่ายนักเหมือนกันเพราะบางครั้งบางคราวมันมีสัตว์ที่ละเอียดสัตว์ที่เล็กๆรอจจะไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดโคควายหมูอะไรต่ออะไรเนี่ยอาจจะไม่ฆ่า อาจจะมีสัตว์เล็กๆพวกมดพวกยุงพวกเลือดไรอะไรต่างๆนี่อาจจะทำให้เขาตายได้ถึงจุดหนึ่งก็คือไม่ใช่คนอื่นฆ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนอาจจะพูดจนเขาเข้าใจผิดแล้วไปฆ่าสัตว์ก็ได้หรื อ, อ จ, จะพูดเลียบเคียงหรือให้นายาต่างๆจนเขาไปฆ่าสัตว์ก็ได้นั่นอาจแสดงอาการของโลภะ ตรงนี้ที่จริงก็ทำไม่ได้ง่ายเหมือนกันอย่างท่านเล่าถึงก็เป็นเกร็ด น, น, นะนะแต่มันก็เกิดได้จริงก็ว่าหลวงตารูปหนึ่งท่านชอบท่านชอบแกงแกงเต่าแกงเนื้อเต่าต่อมาวันหนึ่งท่านไปฐานคือไปห้องน้ำไปซ่วม ก็เห็นเต่าตัวใหญ่ครานอยู่ไกลนั้นมันนึกอยากจะกินเต่าขึ้นมาแต่ว่าจะพูดตรงตรงจะใชะเด็กตรงตรงเนี่ยมันรู้สึกไปเจอไปเจอก็เลยก็หยิบหนังสือขึ้นมาทาทีเป็นอ่านว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าครานตัวออกใหญ่อ่านกลับไปกลับมาเนี่ย ม, มันไม่มีข้อความนั้นหรอกแต่ท่นานอ่านเด็กก็สะดุดใจ ก็คงจะเจอในยะแนวนี้กันมาบ่อยๆเด็กก็ชวนกันไปดูใกล้ฐานก็เจอเต่ากล า, านอยู่ก็จับมาก็มาต้มแต่พอดีหม้อเนี่ยมันเล็กเต่ามันใหญ่ก็ปั่มกันแบบทุลักทุเลน้องตาเห็นท่าไม่ดีก็หยิบหนังสือมาอ่านใหม่ เมื่อกี้ข้าไปฐานเ็นเต่าครานตัว อ, อกใหญ่หม้อข้าวนั้นเล็กนักหม้อต้มกักนั้นยังไงก็ให้นายะให้นายะไว้ตบให้ต้มกับหม้อต้ม ก, กักก็แสดงว่าตัวเนี้ยที่จริงก็คือชายคนอื่นฆ่าข่าสัตว์แต่ว่าอาศัยเลย่เพทุบายให้นายะจนเกิดสัตว์ตายเหมือนกัน แดีวก็มีเล่เหลี่ยมหน่อยแนวหนึ่งเนี่ยคือไปยกย่องสรรเสริญคนซึ่งฆ่าสัตว์ก็แสดงว่าเราไม่ฆ่าเองไม่ใช้คนอื่นฆ่าแต่ว่ายกย่องให้เขาคนที่ฆ่าสัตว์จิตใจต้องผู้ฆ่าก็กำเริบเสพสา ร, รเข้าใจว่าการฆ่าของตนเป็นความดีแล้วก็ฆ่าสัตว์เราก็มีส่วนร่วมเพราะฉะตรงนี้ในความประณีตเนี่ย เราจะเห็นว่าพระวินัยในบัญญัติห้ามพระไปเกี่ยวข้องกับกองทัพที่เขายกรบกันเตรียมใยรบกันใดแต่เขาเารบกันในห้ามไปยุ่งเกี่ยวข้องแต่ว่าเข้าไปในกองทัพได้นะถ้าเป็นกิจลักษณะคนิมนต์ไปฝึกปรืออบรมแต่ไปพูดจาเป็นนิยะให้เขาไปฆ่าฟันกันเนี่ยไม่ได้ คือแสดงว่าจิตจ ย, ยินดีต่อการเข้นฆ่าการเบียดเบียนซึ่งมันขาดหลักของผู้ที่มีคุณธรรมการดูดองสรรเสริญเนี่ยโดยแสดงว่าชื่นชมต่อการฆ่ายินดีในการฆ่าแล้วก็ยินดีในผู้ฆ่าแล้วก็ศู้สึกสะใจต่อคนที่ถูกฆ่าเราแสดงว่าใจก็ไม่ปกติ ในข้อนี้ท่านอากิมอมาคยําเป็นนักปราชญ์ชาวโปเซียได้เขียนไว้ในคำพีรุบายาเป็นลักษณะคล้ายๆกับโลกคตนิดเป็นโลกัศต์ที่แหลมคมไม่เบานะก็ถือนักปราชญ์ชาวโปเซียนะเป็นเป็นความคิดที่แหลมคมไม่เบาคือทันทั้งก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ ว่าหมหาโชนที่ปล้นฆ่าหมหาชนด่าอุบาทราชทันปรนปราบป้องหมหาราชพ า, ชาชะหนลไปจนหมหาราชและพ่อชมชะกาดราชเด็ก้องเกียรติกระนั้นขันไม่เกิดทางข้องใจสงสัยนะฮะว่ากลุ่มคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของโจรกลุ่มหนึ่งก็คือกองทัพยกพวดทมพฤติกรรมเช่นเดียวกัน มีการทำลายชีวิตทำลายทรัพย์สินฉุดฆ่านอาจารย์อาจจะเผาบ้านเผาเมืองโจนทำได้น้อยกว่าเยอะปริมาณความเสียหายนี่จนจะจนจะทำได้น้อยกว่าเยอะแต่กองทัพจะทำได้เนี่ยปลปีหยุบยับไปเลยแต่คนหนึ่งกลายเป็นพลชนคนหนึ่งกลายเป็นวีรชนแค่บอกคนมันขำไหมนั่นคือความคิดของมนุษย์กับความคิดระดับปรัญญาเนี่ย แต่ถามว่าใครถูกล่ะในแง่ของความเป็นสังคมเนีมันพูดยากเพราะว่าสังคมแม้เราจะไม่ต้องการจะลุกลานใครนะฮะแต่เราก็ต้องป้องกันไห้ใครลุกลานเราเหมือนกันนั่นคือสังคมนั่นคือความมั่นคงนั่นคือประเทศชาติแต่ถ้าเรามองในแง่ของความลึกซึ้งของธรรมะปฏิบัติแล้วเนี่ยในการที่เ้าสันเสริมผู้ค่าชื่นชมกับผู้ค่าเนี่ย ก็แสดงว่าใจไม่สะอาดจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจจะไม่พอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการฆ่าหรือไม่ยินดีในผู้ฆ่าไม่ยินดีในการฆ่าแต่ถามว่าในตรงนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยนะเช่นว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเราไม่ชอบ แล้วเขาก็ถูกฆ่าตายเราอาจจะยินดีก็ได้เห็นว่าใจยังไม่แน่จริงใจยังไม่แข็งพอเพราะนหลักการศาสนาก็ปฏิบัติไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยจนไม่หวั่นไหวตัวรมที่มากระทบซึ่งแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับสร้างบ้านนั่นนะคิเกี่ยวว่าจะแข็งแรงมั่นคงทนแดดทนฝนท น, ทนลมได้นะลมไม่แรงเท่าไหร่ จนถึงก็ลมทนลมแรงแได้แต่พอลมแรงแเนี่ยเขาไม่เคยอุปมาบ้านเนี่ยมันมันมันหายากท่านบอกว่าเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่นั่นก็แสดงว่าคุณธรรมนี่อยู่ลึกมากเป็นฐานใจที่โยกครอนไม่หวั่นไหวละแต่ว่าขนาดนั้นมันก็เดินไปสมนนเ็าเรียกพระอราหันต์เป็นยอด หมายความว่าผู้ปฏิบัติจะต้องบรรลุมรรผลเป็นพรานแล้วจึงปฏิบัติอย่างนั้นได้ถ้าไม่ถึงจุดนั้นก็ไปยังไม่ได้แร้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ที่จริงเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเขาจะลึกซึ้งก็ทรงพิจารณาว่าอายังธรรมโมกรรมพีโรคือลึกซึ้งเป็นธรรมะที่สุขขุมละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ คนจะเห็นด้วยปัญญาในี่ได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปลึกๆเนี่ยนะบางทีเราก็นึกว่าเรามีธรรมะแล้วแต่มันไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีตัวกระแทกเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมีใจเราเป็นยังไงนะท่านเล่าถึงพระเทระรูปหนึ่งท่านบาเพ็ญเพี ย, พยรบรรลุปัญญานะกิเลสมันสงบ ปัญญาที่เป็นโลกิยะเนี่ยมันสยบกิเลสไว้ได้แล้วสยบแบบเอาศิลามาทับญ้าไว้นะะมันไม่เห็นญาจริงๆพอศิลามันทับไว้แต่ว่าอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยรู้ว่าอาจารย์เนี่ไม่บรรลุหรอกเลยก็ไปทดสอบดูว่าท่านใช้ปัญญาได้ไหมท่านสามารถดิรมิดให้เป็น ต, ตรีได้ ตรีสวยงามหนึ่งคนสองคนสามคนยืนเฉ ย, เฉยๆนี่จิตใจยังไม่แปรผันบอกให้ผู้หญิงเหล่านั้นไรรำชเวบชเวบพักเบียร er ์ท่านเห็นจิตท่านแปรผันจิตท่านอนไหวไปด้วยความกำนัดเพลิดเพลินยินดีในรูปสวยอย่างนั้นแต่ว่าสติสมัมปญะญท่านมาเร็วนะฮะท่านก็ตั้งหลักทันทีเลยก็ตรงนั้นเลยเจริญในปรสนะตอนนี้บรรลุจริงเห็นบางบางครางนี่เราไม่รู้หรอก ประ จ, จิตใจเราจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะเรื่องทั้งหลายมันจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบธรรมะในที่นี้แต่และข้อเนี่ยมันจะลึกซึ้งมากย่าต่อการทำความเข้าใจอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าจตมาพยายามอธิบายทำความเข้าใจกับปฏิจจสมุปบาทแบบอธิบายได้นะไม่ใช่ปฏิบัติได้เนี่ยเราก็ใช้เวลานา น, นใช้เวลานานจนเกือบจบ าศาสตกศาสตร์บัณฑิตและจึงจึงจึงพออธิบายได้นะฮะพออธิบายได้พอพอสามารถจะชี้แจงในคนเกิดความก้าใจได้เพราะเรื่องมันลึกซึ้งฉันจึงบอกว่าลุ่มลึกแล้วก็เห็นได้ยากแล้วจะทำให้คนรู้ตามได้จริงๆนี่ได้ยากอย่างที่ทรงแสดงให้เห็นถึง คนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยคนจำนวนน้อยเท่านั้นเองที่เข้าถึงธรรมะได้ก็อย่างเนี้ยเดเอาเอาเอ า, เอาสีนันที่ว่าเนี่ยอย่างสีข้อที่หนึ่งที่จิตเดินไปจุดถึงจุดหนึ่งไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาด้วยการฆ่าไม่ยินดีต่อผู้ฆ่า ทำได้จริงหรือเปล่าดังนั้นการปฏิบัติตรงนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเรายัางรู้สึกว่าเรายัางไม่ถึงนะใจยังสัมผัสได้ไม่ลึกขนาดนั้นแล้วก็อ่อนไหวไปกับอารมณ์เอาขนาดฤๅษีกัไลโกด์นะยังแพ้ต่อมายาหญิงเลยจอมฤๅษีนะฮะเป็นมหาฤๅษีในเรื่องรามเกี่ยนฤาษีกัไลโกดเนี่ย ก็ใหญ่มากเก่งมากเป็นที่เคารพย่อเกรงของเทวดามนุษย์ทั้งหลายแต่ก็ยิงก็แพร่เล่ห์ของนางเทธิดาถึงปลอมแปลงมายัว่วยวนจนหลงทางแดงเพราะนมนุษย์เราจึงไปวางใจอะไรนักไม่ได้แล้วว่าเราจะหนักแน่นจะมั่นคงจะไม่อ่อนไหวไปตามกระแสอารมณ์ที่มากระทบบางครั้งกระทบมันไม่กระเทือน บางครั้งอาจจะกระแทกแต่อาจจะไปกระเทือนแต่ถ้ากระทุ่งบ่อยๆนะลักษณะที่น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอนนะมันก็ไปเหมือนกันจนถึงบางทีเขากระทาเลยนะเราเราลองสังเกตว่าที่เราศึกษามาในเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกณัณฐ์ไปประกอบพิธีที่กาญยจยิ์หรือใครฆ่าไม่ตายเนี่ย ฮานุมานใช้สารพัดวิธีทศกันไม่โกรธเพราะพิธีกรรมตรงนี้ห้ามโกรธแต่หนุมานก็หาวิธีทําให้โกรธจนได้โดยไปจับปนังมณโฑมากระทาย่ํายีต่อหน้าในฐานะสามีเนี่ยคนเอาปัญญามากระทาย่ํายีต่อหน้ามันก็ตาบากกระแตกในที่สุดทศกัณก็ไม่ในกา ย, ยสิทิ ก็ถูกสอนพระรามตายตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างไป่เชีย่ยเห็นว่าแม้แต่ะถึงจุดนั้นน่ะจุดจุดขนาดนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือเขาเป็นวงพรมเมเทศนะฮะก็ถือเป็นวงพรมเหมือนกันแต่ก็จริงแล้วมันก็ออกระแทกแรงๆมันกระทำมากระทํำทําๆซักๆ่มมกามันก็ทนหยุดไม่ได้เพราะธรรมะที่รู้ตามเนี่ยรู้ตามได้จริงจริงนันจริงรู้ตามได้ยาก อย่าที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งปณิพานได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ล้อลอะฝั่งไปอย่างนั้นเองเพราะฉะั้นเราลองสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมะของเราไม่ว่าในระดับไหนก็ตาม่ะมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลวยคือยอดแหลมแต่อยู่ส่วนยอด น, นจะมีน้อยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องขันติเรื่องเมตตาเรื่องสัจจะเรื่องอธิษฐานเรื่องความเพียรเรื่องปัญญาทั้งหมด มันจะเป็นกลวยทั้งหมดคือจะอยู่ในยอดแหลมเนี่ยส่วนยอดนี่จะน้อยเพราะอะไรเพราะว่าความเข้มแข็งทางใจความยัง่งปริชาญาณที่ยั่งรู้ได้ลึกจริงๆเนี่ย จ, จนสามารถที่จะสำรอกกิเลสออกจากใจได้เนี่ยมันทำไม่ค่อยง่ายนักนะแม้แต่ระดับสมาธิเองสังเกตว่าการเจริญสมาธิบางทีเหลวเป็นน้ำเลยไม่ได้เรื่องเลย ใจไม่ยอมสงบเลยเก็ทำกัน บ, บ่อยๆทำกันไปโดยดับจนกว่ามันจะเกิดความสงบขึ้นมาเฟะร่าันด์บอกจะรู้ตามได้ยากเพราะเราพูเป็นธรรมที่สงบมันสงบจริงๆนะสงบแบบภูเขาถลม่มทลายลงมาไม่หวั่นไหวอะผลจากธรรมปฏิบัติที่อยู่ภายในใจคนเนี่ยมันสามารถพัฒนาจิตให้สงบ แล้วก็ถูกค่มขูคุกคามเบียดเบียนสารพัดเราจะเห็นว่าขัวให้กลัวก็ไม่หวั่นไหวด้วยกลัวขูวให้รักก็ไม่หวั่นไหวด้วยความรักล่อโดยรูปสวยๆก็ไม่หวั่นไหวอย่างพระพุทธเจ้าที่ถูกนางตหาราคารติมายั่วยวนเนี่ยคือตามปกติมนุษย์เราอ่ยนะฮะมันจะราจุดอ่อนแอในการถูกยั่วยวนในทางกระตุน้นความกำหนัดในทางเพศเนี่ยจะอ่อนแอมากเพราะว่าเป็นสัตว์โลกระดับกามาพระจร มันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกระดับนี้ไอ้เจ้าวอนแอร์ตรงนั้นเพราะงั้นแผนต่างๆที่สู้รบปรบมือกันในศึกสงครามเราจะเห็นว่าแผนนารีพิกาค่าีดยประสบความสาเตร็จตลอดรบเมื่อไหร่ก็ประสบความสาเร็จเมื่นั้นใชายชายและสตรีเข้าไปสอดแทรกในเหตุการณ์ต่างๆและจนทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่เราสังเกตมันก็คือแนวของใช้จุดอ่อนใช้จุดอ่อนของมนุษย์เพราะมนุษย์ ระดับกามาวจัจจุกามาวจัจรฟูมีจุดอ่อนเขาก็คือโลภะกับราคะเนี่ยตพราอะไรเพราะว่าเขามันเกิดมาด้วยอวิชชาเกิดมาด้วยโมหะแต่สติปัญญาที่จะไปจำแนกแยกแยะออกไปให้ชัดเจนนั้นทำไม่เขอได้ถึงจุดหนึ่งทำไม่ค่อได้มันเกิดปัญหาซะ ก, ก่อนเกิดหน้ามืดซะ ก, ก่อนวิเคราะห์ไม่ทัน แล้วเขาก็ประสบควาสมสําเร็จมาตลอดลองสังเกตเรอาอ่านวันในกดีจีนก็ได้นะฮะวันในกดีจีนนี่ยจะมีเยอะอินเดียก็เหมือนกันนะนะของเราก็เหมือนกันนะนะมันจะมีการกระตุ้นให้โกรธหรือขม่มขูให้กลัวหรื อ, อยั่วยาให้อยากมันจะทาอย่างเงี้ยตลอดแล้วตรงนี้เป็นจุดอ่อนแอของมนุษย์ทั้ ง, งหมดนะฮะขูให้กลัวก็เป็นธรรมชาติของเขายั่วอยากก็เป็นธรรมชาติของเขา ก็ยุให้โกรธก็เป็นธรรมชาติของเขาคือเขาคโกรธอยู่แล้วแล้วมันจะไม่มีเหตุผลคือไม่มีความคิดที่มันเป็นระบบแต่พอใครทำให้โกรก็โกรธแล้วจะอ่อนแอกับเรื่อง เ, ออเลวร้ายของคนอื่นได้ง่ายๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องชู้สาวชอบซุบซิบชอบพูดชอบเอามาคุย แล้หนังสือแนวเนี้มันมันจะอยู่ลองสังเกตดูหนังสือกรหนังสือที่ขายท็อป10ทั้งหลายเนี่ยหนังสือที่ขายต่างๆหนังสือรักโรแมนติกหนังสือที่บูร์ล้างผลาดนะบูร์ล้างผลาดเนี่ ย, นะยจะขายได้ฮความรุนแรงอัตจบกรรมสลับซับซ้อนอะไรๆฆ่ากันตาย เ, เ, เลือดเย็นอะไรนี่ชอบมากนะความกันชั่วๆขาดเป็นท่อนๆ อ, อะไรตๆแล้วก็สะใจ นั่นคือจุดอ่อนแพราะะฉนั้นธรรมะเหล่าเนี้ยมันจึงยากที่จะไปให้คนก็เข้าถึงได้เพราะธรรมะนี่เขาสงบมากสงบจนจนโยกยังไงก็ไม่หวั่นไหวอย่างพระพุทธเจ้าเราถูกโยกพระหันทั้งหลายถูกโยกเนี่ยแล้วคนเราก็ก็ไม่หวั่นไหวที่ลดหลั่นลงมาคือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องบางระดับที่ ถูกโยกโยกมาจากข้างนอกในย่ยุยยวนเนี่ยห oui oui, รือว่าค่มคูก็จะไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นตัวอยา of ่ zero, างพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อวิชิตมานพระพิชิตมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวของยากเนี่ยมันก็ใช้ขุมคูตอนต้นโพเนี่ยตอนต้นโพเนี่ยใช้ขุมคูคุกคามตอนที่อยู่ต้นใส่เนี่ยใช้วิธีที่ระล้าประโลมนะ พนางญหาราคาติเนี่ยประลประปลุ่มเลยหมายความมายุ่งความกำหนัดแล้วก็ตอนที่ต้นโพนั้นครูให้ขวัดกลัวสะดุ้งกลัวโดยวิธีการต่างๆแต่ว่าที่จริงตอนนั้นท่านพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะที่ต้นโเนี่ยแต่ก็ไม่หวั่นไหวนั้นแสดงถึงว่าคนที่ปฏิบัติธรรมะได้ถึงจริงๆเนี่ยจะมีอยู่น้อย เพราะการคิดจะสอนธรรมะในคราวแรกของพระเจ้าเนี่ยคือมุ่งไปสู่ไปสู่คนที่จะให้หลุดพ้นอย่างที่พระองค์หลุดพ้นหมายความมาดับกิเลสดับเพลิงทุกได้เช่นเดียวกับพระองค์จึ ง, มอ ง, ม, องจมองไปสู่ผลระดับสมบูรณ์ของแต่ละจุดนะฮมองไปสู่ผลระดับสมบูรณ์ของแต่ละจุด โดยยกธรรมะขึ้นมาเป็นหลักในการพิจารณาเทียบเคียงไปก่อนแล้วเขีนว่าอยังธรรมโมกัมพีโรดุดะโซดุราโนโบโทสันโตนะฮะมาถึงตรงนี้ก่อนธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ลุ่มลึกสุขุมลุ่มลึกเด็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบคือสันโตก็คือสงบ สงบบาปสงบอกุศลสงบทุกสงบสังสารวัตรไปเลยหายไปเลยโดยเฉพาะปฏิจจสมบัติจะเห็นว่ามันมีจุดหนึ่งก็คือสงบจากสังสาระทุกยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรท่างฟังเท่ายรแต่หลมงอโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายโดยทั่วกันสวัสดี